ข้อความเจริญในธรรมจมงมีแต่ท่านผู้ฟังท่านัลแต่ลมประโบธิญาณในวันนี้คงประรบเรื่องขันติบา ร, รมีต่อไปในยะแห่งพระพุทธตรรมรัตที่สัตว์ประรบขันตินั้นทรงใช้ในโอกาสแตกต่างกันบางครั้งก็ทรงแสดงในรูปของฐานจิตหรือฐานชีวิต อย่างเช่นในกรณีของคารวัตสธรรมคือต่ ม, มาของผู้ครองเรือนนั้นพึงสังเกตว่าแต่ละข้อนั้นจะเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันในเรื่อต้นที่ศัจจะคือความซื่อสัตย์ความซื่อตรงความจริงใจตรงต่อตัวเองจงต่อเวลาตรงต่อภารกิจตรงต่อสัจจะปฏิญาณตรงต่อศัจจะปฏิญญาตรงต่อสัจ จ, า จ, จ, จ, จวาจา ทั้งต่อหน้าและรับหลังแต่ว่าการทําอย่างนั้นไม่ใช่ง่ายนะเพราะสัจจะมันเป็นบา ร, รมีธรรมมันก็จําเป็นต้องอาศัยธรรมะคือการฝึกปลืออบรมไปจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเบรกตัวเองได้คือหยุดความคิดตัวเองได้หยุดการกระทําของตัวเองได้ในกรณีที่เกิดความคิดขึ้นมาจากข้างในแต่เป็นความคิดที่เต็นอกุศล ก็เบรกเอาไว้หยุดเอาไว้ในข้อนี้บาลีทรงใช้กับมัทธมะซึ่งเราเจนว่าบางคราวก็แปลว่าฝึกเจนว่าจิตตัสสะดมัทโศสาธุการฝึกจิตเป็นความดีธรรมะในกรณีนี้ใช้ในความหมายว่าฝึกปรือแต่บางครั้งบางคราวก็ใช้ในความหมายว่าข่มใจเอาไว้ก็แสดงว่าอารมณ์ที่มากระทบนั้น ในส่วนที่เกิดขึ้นจากการแนวนึกตึกนึกของเราเองท่านก็ให้ข่มความคิดเราคิดเองก็ข่มเองสร้างปัญหาเองก็แก้ปัญหาเองแต่บางครั้งมันมาจากข้างนอกเป็นแรงกระแทกมาจากข้างนอกวัดสอนซ้ำก็แต่คำหนึ่งคือขันติเราะเจนว่าลักษณะของธรรมะ ก, กับขันติที่จริงก็คืออดทนด้วยกันอดกลัน้นอดท น, ทนทนทานด้วยกัน แต่ทำไมต้องใช้ซ้อนทั้งสองขอ้อเพราะว่าชีวิตของชาวบ้านเนี่ยชีวิตของผู้ครองเรือนเขาเรียกว่ามีธุระมากมีกิจมากบาคุกิจยาบาคุกินิยามีกิจมากวิเรื่องที่จะต้องทามากแล้วเกี่ยวข้องกับคนกับผลประโยชน์กับเงื่อนไขต่างๆไปในสังคมนี้มากเลเแตกิดถ้าหากว่าขาดความบดกรั้นความอุดคม ระคัการฝึกปลื้ออบรมตัวเองจนสามารถที่จะห้ามใจตัวเองเดรตัวเองอยู่ตัวเองเป็นตํานองคล้ายๆกับการขับรถคือเาจะเห็นว่ารถเนี่ย ม, มันจะดีพิเศษยังไงก็ตามคือถ้าหยุดไม่ได้เนี่ยขับไม่ได้รถมันต้องหยุดได้หยุดได้หลบได้เลี้ยวได้แซงได้ชะลอได้เร่งได้แล้วปฏิบัติไปตามความ เหมาะสมแก่กรณีไม่รู้หมายความว่อย่างไงรอรัคือเราไม่รู้ว่าตัวนั้นคืออะไรคือบางทีอาจจะหยุดบางทีอาจจะหลบบางทีอาจจะชะลอบางทีอาจจะถอยนิดหนึ่งอะไรนี้สรุปว่าไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝึกจนทําได้โดยอัตโนมัติหมายความว่าฝึกไม่ให้เราไปทําอะไรเป็นการล่วงเกินคนอื่นหรือว่าลึงปัญหามาสู่ตัวเอง แต่บางทีคนอื่นมาสร้างปัญหาให้เพรา ะ, ะนั้นเราต้องไม่รับปัญหานั้นความอดัอดทนเราได้เราสังเกตว่าบางครั้งเช่นว่าเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องซึ่งมันน่าจะเกิดโรคแต่พอดีภูมิต้านทานโรคเราสูงในกรณีนั้นเราไม่เป็นโรคเพราะแสดงว่าร่างกายมันทนได้โดยอัตโนมัติจิตใจของเราก็เหมือนกันพอถึงจุดหนึ่งเนี่ย บางเรื่องนะไม่ใช่ทุกเรื่องคือบางเรื่องมันจะทนได้โดยอัตโรมัติในขณะเดียวกันก็ทํายังไงเพื่อจะตัดกระแสอารมณ์ที่ยั่ยยุแล้วก็สร้างสภาพการอยู่ร่วมอย่างสร้างสรรค์อย่างมีมิตรจิตมิตรใจต่อกันพี่เจ้าก็ทรงสอนจากคัคคือการสละให้ปั่นการแบ่งปนันการเอื้อเฟื้อเออผื่อแผ่โอบกอดมารีสงเคราะห์อนุเคราะห์ดูแลกัน เห็นหว่าธรรมะเหล่านี้เขาจะเสริมกันการที่เราสละให้ปันแก บ, บุคคลอื่นได้นั้นหมายความว่าเราไม่สนีทไม่หวงไม่เสียดายของที่เราให้เขาแล้วหมายความว่าเรารักเราเคารพเรานับถือเราศรัทธาเราพักดีเราบูชาเรายกย่องเขาเขารู้สึกมันดีความรู้สึกมันดีเป็นเรื่องเตรียมทนเกี่ยวกับคนนั้นก็น้อย หรือเกี่ยวก็ต้องข่มใจเกี่ยวกับคนนั้นก็น้อยจงแต่การข่มใจห้ามใจเนี่ยมันก็มาอยู่ที่การกระทำของเราเองคือเรื่องข้างนอกปัญหามันจะน้อยจากข้างนอกเนี่ยแต่ปัญหาข้างในเราก็ต้องรับผิดชอบเราก็ต้องแก้ไขแสดงว่าธรรมะทั้งสีข้อนี้ก็เป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันคล้ายๆกับเสาบ้านนะฮะหรือว่าลอรถ สี่ล้อเสาบ้านสี่เสาคือเป็นปัจจัยสนับสนุนซึ่งกันและกันมันแบกแบกรับน้ําหนักแล้วก็เผื่อแผ่กันคือกระจายน้ําหนักออกไปไม่เปนหนักในตรงใดตรงหนึ่งพระถ้าหนักตรงใดตรงหนึ่งก็เอาไม่ไหวมั้นกันในข้อหนึ่งทรงแสดงไว้ว่าคันติเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่นะ แต่ว่ามันมองสองระดับถ้ามองระดับสังคมมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งมองระดับธรรมะมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งสมมติว่ามีคนมาท่าตีท่าต่อมาด่าว่าค่มขูคุกคามอรารวาสโ ด, ดวยวิธีการต่างๆถ้าอยู่ในวิสัยที่จะอธิบายชี้แจงทาความเข้าใจกันได้เราก็ทำ แต่ถ้าตอนนั้นเขาหน้ามืดอยู่เขาไปยองลำพองอยู่เราก็เฉยๆคือสงบใชภาพเหลเนี้ใครมองเราจเจนว่าถ้ามองในแง่ของธรรมะในแง่ของกระบวนการของกรรมได้เราถูกเป็นการปฏิบัติธรรมะตามถูกถูกต้องตามสมควรแก่กรณีเช่นนั้นคือในกรณีเช่นนี้จะต้องอดกลั้นจะต้องอดทนจะต้องไม่รู้อำนาจแกโทสั ซึ่งมีการยั่วยุมาจากข้างนอกและในขณะเดียวกันถ้ามองแบบคดีโลกแล้วกลุ่มคนนักเลงกลุ่มพวกคนที่ชอบชกต่อยตีรังคันแทงเนี่ยเขาก็ว่าเราหน้าตัวเมียไม่สู้คนแต่อย่าลืมนะคโบราณท่านสอนว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นหมาตอนนี้เราดูเหมือนแพ้ในสายตาสังคม แต่เราก็เป็นพระในแง่ของธรรมะแต่ถ้าเราไปสู้รบปรบมือกับเขาเราเป็นคนดีๆอยู่แท้ๆเนี่ยแล้วคนมาชวนทําชั่วเราทําชั่วกับเขาเราก็กลายเป็นคนชั่วบางทีเราชั่วกับเขาเราลองดูนะฮะข่าวคราวบางทีเนี่ยมีคนม า, าท้าตีท้าต่อกวดเบ่งภาษาหนักแดงบางทีก็อาจจะมาล่ามา เจ้าของบ้านโมโหสุดขีดลาวปืนมายิงเต้ยงตายเลยไอคนโน้นก็ทําแค่ด่าเท่านั้นเองแต่เราเป็นฆาตกรคือฆ่าเขาตายเห็นไหมตัว น, นี้ถ้ามีอดทนเอาไว้เนี่ยมันมีคนชั่วอยู่กลุ่มเดียวคือกลุ่มที่มายืนด่าคนอื่นในขณะที่คนอื่นเขาไม่ว่าอะไรเลยแลมายืนดา่าเฉยๆในสายตาของบัณฑิตปัญญชนนักปราชญ์เนี่ยย่อมได้รับการยกย่องแต่ในแง่ของสังคมก็คง ระมีดังที่กล่าวและการมองปัญหาเหล่านี้จึงต้องมองในแง่ว่าเราจะต้องเป็นปราดในไหนละ่ะเป็นปราดในหมู่นักปราดหรือเป็นปราดในหมู่อันตรภานั่นในหมูม่อันตรภานก็ต้องลบราข้ากันกันเมื่อก่อนก็ไปทํารายการโทรทัศน์ก็มีประเด็นหนึ่งแต่มายกตัวอย่างให้ฟังนะว่า ในแง่ของสังคมเราก็พูดในแง่สังคมนะว่าแง่ของสังคมเนี่ยมันพูดยากนะว่าใครดีหรือไม่ดีเนี่ยปัญหาว่าสังคมไหนล่ะเช่นสมมติว่ามือปืนฆ่าคนได้เยอะเลยเป็นพี่เอื้อยในที่นั้นหละเพื่อนยกหัวนิ่งโป่งให้เลยเยี่ยมมากลูกพี่เยี่ยมมากเพราะนันกลายเป็นวีรชนทางทางดวยเป็นทรยชนเขาก็อยู่ในกลุ่มของทอรยชนเขาก็กลายเป็นวีรชน ในกลุ่มก็ทรีชนนั้นใครทำชั่วได้มากก็คือเป็นวียชนในกลุ่มก็คนดีสังคมคนดีเนี่ยใครทำดีได้มากคนนั้นก็เป็นวียชนเพราะในการตัดสินในกระแสสังคมเนี่ยจึงไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าบางทีมติที่เราเรียกว่าเสียงข้างมากเนี่ยมันปัญหาว่าใครประชุมกับใครแล้วเป็นมติของใคร เช่นเช่นว่าสมมติวราเอาพระชั้นดีมาประมห้ารูปกับโจรห้าสิบเนี่ยมันก็แพ้พระโบสถ์าก็แพ้ทุกทีแต่ปัญหาว่าใครถูกใครผิดถ้าเอาเกณฑ์ธรรมะเนยพระท่านถูกแต่ถ้าเอาเกณฑ์ประชาธิปไตยเสียงทั้งมากเนี่ยโจรก็ถูกเราจะเอาอยัางไงแต่นั้นจริงไม่ใช่ข้อยุติไม่ใช่กฎเกณฑ์อะไร แต่พอดีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ท่านร่วมเป็นวิทยากรด้วยกันนะท่านท่านจับประเด็นผิดแล้วท่านก็อธิบายไปมาก็เลยต้องต้อขอพาพิงนะะบอกว่าอันนี้ต้องชี้แจงทำควาเข้าใจนะว่าเรามองในแง่สังคมกันเพราะสังคมแล้วจะเอาเกณฑ์ยากปัญหาสังคมไหนให้ชัดเจนแล้วเกณฑ์นี่จะหาง่ายนะ แต่ถ้าบอกสังคมเฉยๆเนี่ยมันไม่ชัดเจนเพราะเราจะเกณฑ์จากสังคมไหนมันก็เหมือนกันทิทานที่เขาผูกเรื่องมีสหายสองคนรักใครป่ปลูกพันกันมากแต่เมื่อตายไปแล้วสหายคนหนึ่งก็ไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในซุ้มพระสหายคนหนึ่งก็เกิดเป็นเทวดามีทิปะเนธมีทิปะกันสวดสอบเพื่อนมันหายไปไหนก็ตายมันรีกัน ก็ปรากฏว่าเป็นเพื่อนไะเป็นนอนอยู่ก็ไปแนะนำชักชวนให้ทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้อธิบายแล้วมันสื่อสารไม่เข้าใจเพราะบอกความสุขในสวรรค์ให้แกฟังเนี่ยแกก็เห็นว่าไม่เห็นมันแปลกอะไรกันพอดีแกอยู่เองมันก็เหมือนกับสวรรค์อาหารทิพแกก็ไม่ต้องทำงานอะไรอาหารเยอะคนเอามาให้มีเถอ ท, ทีดาเยอะแกก็มีเถอ ท, ทีดาเยอะ วันทั้งหมดเนี่ยที่บอกว่าสวรรค์มันมีเนี่ยในนอนนอนในสุ่มเขาก็มีตามพื้นฐานความความรู้สึกประสบการณ์ของของตัวหนอนในส่วมเนี่ยนั้นเรยเห็นว่าสังคมเนี่ยสังคมเมื่อทิ้งก็สื่อสารยากสื่อสารติดต่อกันยากแต่ถ้าเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานที่เราใช้คําว่าทํานองของทำอันนี้มันคือเกณฑ์มาตรฐานหมายความว่าจะมีความเป็นสากลแต่ถามว่า คนชอบหรือไม่ชอบไม่รู้สิก็ใครล่ะเดนแม้ว่าอย่างเนี้ยสมมติว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาต้องการจะผิดจำน่ายสุราทำกำไรให้ได้มากๆจะแต่มีคนกลุ่มหนึ่งก็ชี้โทษของสุราและจนคนเห็นตามคล้อยตาม ประชาเห็นตามคล้อยตามแล้วก็ไม่ตกเป็นทาสของสุรานั้นเขาก็จะนับถือผู้นั้นแต่ว่าคนที่ผิดจําหน่ายสุราก็จะอาฆาตมาดายต่อผูนน้นั้นนั้นเราเห็นว่าสังคมมันต่างกันคล้ายๆกับตัวอย่างที่ยกไว้ในตอนต้นดังคันติที่เป็นเครื่องประดับของนักปราศเนี่ยคือนักปราศในหมูป่ปราศ ให้ความมาในกลุ่มคนดีทั้งหลายแล้วคนที่มีคันตินี่จะถือว่าเป็นเครื่องประดับในตัวของท่านผู้นั้นแล้วเป็นการพิสูจน์อ่ะพิสูจน์ตัวท่านเองว่าท่านมีความอดกลั้นมีความอดทนมีความทนทานระดับไหนคนนี้นนลองสังเกตว่าในเรื่องในเรื่องบางเรื่องเช่นสถาบันประมากษัตริย์ ใชยาบทเดียวเนะช่นสมมติอยาบทนั่งทํางานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสาทปริญญาทีๆหน่งโอ้น่ากลัวแต่เราจะจะเห็นว่าประทับนั่งปกติมากจะถามว่าปวดไหมเมื่อยไหมสังขารนะฮะปวดเมื่อยธรรมดาแต่ว่านั่นคือขันติความอดกลั้นความอดทนต่อทุกขเวทนาที่บกงเกิดขึ้น ปฏิบัติภารกิจตรงนั้นในสาเร็จเรียบร้อยแล้วก็สวยงามทุกขั้นตอนหมายความภาพถ่ายในถ่ายไปเถอะจะไม่มีอีเดียบทที่ไม่สวยงามอาการสมดุลระวังตัวนี้จึงเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ไปเพราะว่ายุคข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันเช่นพวกนักถ่ายพูกตากล้องทั้งหลายพวกถ่ายเป็นฟิล์มภาพยนต์เป็นฟิล์มวีดีโอแล้วไปใหญ่เลยแกถ่ายไม่หยุดอ่ะ เพราะในดีบุตรเราเกิดผิดปกติขึ้นมาสักตอนหนึ่งแล้วแกก็ไปตัดเอาตอนนั้นมาลงหนังสือผิดมันก็เสียแต่เพียงเพราะคนที่ปฏิบัติภารกิจสําคัญสําคัญและอยู่ในฐานะสูงเนี่ยก็เป็นแบบอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าที่จริงถ้าก็ต้องอดการ้นอดทนในเห น, นื่อยรับบาปไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่ต้องฝึกมาอีกอย่างหนึ่งต่างหากเป็นความเข้มแข็งที่มีอยู่ภายในเป็นความหนักแน่นที่มีอยู่ภายใน ใครพบใครเห็นก็จะชื่นชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนในบู่บันดิตทั้งหลายในขณะเดีวยวกันคันติก็เป็นตบะเห็นไหมคันติเป็นตบะเป็นตบะในที่นี้ที่จริงหมายถึงความเพียรพยายามที่นุง่งล้อมละลายความชั่วด้วยแล้วก็เป็นตบะตามความเชื่อถือของคนในยุคนั้นด้วยมันเป็นที่น่าเคารพอย่างเกรง <Elena? S 2> เราลองนึกดูว่าสมมุติว่าคนโกรธคนคนหนึ่งเนี่ยแต่คนหนึ่งไม่ได้โกรดตอบเลยคนคนหนึ่งถูก ย, و, ยั่ว ย, ย, ยุยวยวนด้วยวิธีการ MT, ต, UM, ต่างๆแล้วมีคนมาพบเห็นท่านไม่แสดงอาการผิดปกติอะไรเลยยิ่งใหญ่มากแสดงว่าท่านเหล่านี้จะประสบความสําเร็จเพราะฉนั้นอย่างแบบพระพุทธเจ้าทั้งสองตอนเราจะเห็นว่าทั้งพระพุทธด âm ดาทั้งสองตอนเนี่ย เราก็สามารถดูที่พระพุทธเจ้าได้คันตีที่เป็นเครื่องประดับของนักปราชเราลองนึกดูว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นอจอมปราดที่สมบูรณ์แล้วนะ ฮ, ฮนะคือสัสโรแล้วแต่อย่าลืมว่าพระชนบรรษาแค่สามปกต้นๆแต่นั้นเองยังมุม นางตาณาราคาราจีเป็นทิดามมนมายุ่ยยวนด้วยวิธีการต่างๆรูปร่างสูตรทรงสันธาหน้าตาสารพัดในระมิตรบิดเบือนร่างกายไปเรียกว่า น, นำเสนอทุกรูปแบบของผู้หญิงงามในยุคสมัยนั้นเพื่อจะยุ่ยยวนพระพุทธเจ้าให้อยู่นแนมนานตรองเตยได้แต่พระพุทธเจ้าก็ประทับเฉยเพรา ะ, ะนั้นก็เป็นปานหมาง ม, ม, มาราวิชัยคือชนะมาร เราจะเห็นว่าพระประธานเนี่ยเราจึงสร้างพระปางชนะมาเรียกว่ามาเราวิชัยชนะทั้งพ่อชนะทั้งลูกวางพระองค์สงบเย็นไม่หวันไหวอะไรแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นตระบะของผู้ภาคเพียร์ก็ลองดูว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสัสรูดันเป็นการใช้ความเพียรในแนวที่เรียกว่าจารุรงกมาประธานอยู่ความเพียรที่ประกอบด้วยสี่ทรงอธิษฐาน ว่าแม้เลือดเนื้อในกายของพระองค์จะเหือดแห้งไปอย่างเหลือแต่นางเอ็นกระดูกก็ตามถ้าหากว่าไม่ได้จัดสร้แล้วนี่พระองค์ก็จะไปลุกขึ้นเพรขันติตัวเนี้ยมันเจ็บมันปวดมันทุกข์ทรมานไม่ใช่เล่น น, นะนะแต่ว่าก็ต้องทําให้ได้เพราะเป็นสัตยาธิฐานแล้วอธิฐานไว้ยอย่างนั้นถ้าอ่อนแอเนี่ยถ้าเข้าข้างตัวเองถ้าแก้ต่างแก่ตัวเองแล้วคนจะแก้ต่างแก่ตัวเองได้ทเดีแล้วในที่สุดจะทําอะไรไม่สําเร็จ ความเพียรก็หย่อนขันติก็หย่อนสัจจะก็หย่อนปัญญาก็หย่อนมันหย่อนหมดเลยวุ่าพไปหมดเลยธรมะธมะทุกข้อเนี่ยลดระดับความเข้มข้นลงไปลดระดับความเข้มข้นหมายควา ม, มาคล้ายๆกับความเย็นมันลดลงไปหมายความว่าความร้อนมันเพิ่มขึ้นนะพอเมื่อความกุศลธรรมก็ลดลงไปก็แสดงว่าอกุศลธรรมก็เพิ่มขึ้น ขันติจึงเป็นเครื่องประดับของนักปราดและเป็นตะบะของผู้ภาคเพียนในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ขันติที่บุคคลบำเพ็ญกระทาเจริญจนเป็นลักษณะนิสัยหรือว่าอดการอดทนได้เป็นพิเศษเหลือคนทั้งหลายมันจะนำประโยชน์และความสุขมาให้เราเลิกดูถึง บุคคลบางคนในวงการพระศาสนายกตัว อ, อย่างสมเด็จประมาณสุนทจาชรมยาอุชยาโรรถนะซึ่งเป็นขั้นถือกันว่าเป็นเทพมหาศักษ์ที่จุติลงมาหรือฟื้นกิจการศึกษาพระพุทธศาสนาตงองดูในยุคสมัยที่ไม่มีเครื่องทุนแรงเลยมันมีพิมพ์ดีดไม่มีเทพไม่มีอะไรเลย แต่ว่าทรงงานไว้จํานวนมาสาลมีผู้ใหญ่ที่เคยเป็นเลขาของพระองค์ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าประทับนั่งเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนแล้วก็ให้เลขาไปรอกเขียนบงกระดานฉนวนให้เลขาลอกพอถึงจุดเดินท่านเปรี้ย ม, มากเลขาก็เปลี่ยนกันนะเลขาได้มีการเปลี่ยนแต่ท่านไม่ได้เปลี่ยนท่านบอกเดี๋ยวจะพักหน่อยพักสิบนาทีสิบห้านาทีหลัไเลยเสร็จ แ, แล้วก็ทรงต่อ วันเวลาเนี่ยใช้ไปอย่างคุ้มค่าใช่ออจริงออจังแล้วมีความโปรดเนี่ยงผลงานของพระองค์ท่านจึงมหาศาลมากคือแม้แต่รัชการที่หกเราเจนว่าพระชนพัรษาก็ประมาณสักสี 48, 49, ก่สิบกว่าสี่สิบแปดสี่สบเก้าเนี่ยเขาราดไปสิบกว่าปีแต่ ง, งานเอยเฉพาะงานพระราชนิพนธ์นะนะเอาเฉพาะเรื่องเดียวงานพระราชนิพนธ์ ซึ่งมันไม่มีพิล์มดีไม่มีเลขาช่วยแล้วก็ทรงด้วยลายพระหัตเองแต่เป็นผลงานที่มากมายเคยถามผู้ใหญ่เมาก่อนเขาบอกว่าทุกวันนี้ยังผิดไม่หมดมันก็แสดงว่าพวกนี้มันจะนำประโยชน์ความสุขมาสู่ตัวเราแล้วก็มาสู่บุคคลอื่นแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งว่าขันติในรูปของบารมีเนี่ย มันจะต้องสามารถหลอมละลายความไม่อดกัน้นความไม่อดทนหรือภาพมายาลวงตาต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้บุคคลอ่อนแออ่อนไหวไปตามกระแสะของสิ่งที่มาก่อกวนมายโยนเนี่ยเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยจึงต้องมีสติจึงต้องมีความเพียรจึงต้องมีถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะไปแยกแยะอะไรได้ออก เพราะว่าลักษณะของขันตินี่เราจะเห็นว่ามันเหมือนกับฐานรองรับตัวความเพียรมาเป็นฐานขับเคลื่อนไปจะได้ขณะเดียวกันพุทธสติสัมัญญามันก็ต้องมองต้องระลึกรู้เท่าทันต่อสิ่งทั้งหลายกิยการที่เคยบอกเอาไว้ว่าไม่ใช่อดทนทุกกรณีถ้าอดทนทุกกรณีก็ไม่ต้องทำอะไรกันเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นเหตุระดั แต่เป็นเอตเราเกิดเมตตากรุณาเช่นว่าลูกหลานผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหามีความบกพร่องในทางความประพฤติเราไม่โกรธหรอกแต่คนนั้นจะต้องได้รับการแก้ไขต้องรับการปรับปรุงอาจจะต้องมีการตําหนิอาจจะต้องมีการลงโทษไปตามสมควรแ ก, กร่คดีของความผิดไม่ใช่ทําด้วยความโกรธ แต่เป็นการกระทําเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วคนนั้นมีคุณค่าเหมาะสมแก่สถานะหมายความว่าทำงานคุ้มค่าจา้างแรงงานต่างๆที่รับได้มอบให้หรือที่องค์กรบริษัททางร้านต่างๆได้มอบให้แก่บุคคลโดดนั้นมันก็กลายเป็นเราได้เพิ่มความดีแล้วก็ คนเหล่านั้นเองก็ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป็นการปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องเหมาะสมออกมาในแนวของการสร้างสรรค์พัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลทุกทุกฝ่ายปานคันติจึงนำประโยชน์สุขมาให้ดังกล่าวท้องฟังทั้งหลายใต่ร่มประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญมโหฬารไปบูรณในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกัน สวัสดี